FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีสถานสุขภาพความงามบววสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทั ญ, ญบุรี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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 ศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th สถานพยาบาลการแพทย์ผันไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์ผันไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ผันไทยหัตถ บ, บำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลาย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 8 9 5 a r กะเฮิ r s t เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุค ป, ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือน กับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศทาง FM 89.5 MHz เมเวิทยุราชมงคลธัญบุรี ว่าจนไม่ทัน พูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักสวัสดีค่ะ <c oughs> เรื่องเก่าที่เรารักนะคะโดยคุณตุ้ยเฉลิตอรุณทัศน์นะคะ ค่ะนี่มสิเมกะเฮิร์์วิทยุราชมงคลทัญบุรีสวัสดีค่ะคุณตยุยสวัสดีครับเราแรกกันเป็นคุณทนี่ผู้จัดรการนิดนึงนะคะออคุณตุยคุต้องอยู่นะคะวันไหนคุณไม่ว่างดิฉันจะมาแทนเลยนะคะออบอกก่อน ฉันเริ่สนุกละ่นลสนุกละขอให้มาครับขอให้มาครับ <laughs> วันนี้เราแลกหน้าที่กันนะมฉเริ่ <laughs> มสนุกละ <laughs> เดี๋ยวจะลองเพลงเสือแทนน ะ, ะดูแลดีมากขายันสภาษคุณตุ้ยแล้วกันนะคะ <laughs> <laughs> ใช่เหรอครับพี่มันใช่ <laughs> าาเหรอฮะ <laughs> ดูคุนมาเ <laughs> ทปพี่สามแล้วคะ่ะส <laughs> ัปดาบตนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะคุณตุ้ยเราคุยเรื่องนางงามไปแล้วนะเราคุยเรื่องนางเอกไปแล้ว นางอะไรอีกคะนางแบบนางแบบนักร้องเป็นนักร้องนักร้องครับออกลายไมื่เลือ่าจําได้ไหมจําได้ไหมฮะอืถ้าใครที่อายุสักประมาณสักสามสิบสี่สิบเดี๋ยวเดียวเดียวเราเราไม่พูดถึงอายุดี่หวังไหมอย่าเลยอย่าเราเราพูดแค่ว่าเป็น เป็นเด็กเด็กเทปเป็นเด็กเทฟเด็กเทฟเด็กเขาเร็เด็กเขเรเด็กหยามเด็กยามเด็กเเสร็จเอ็นดีเคอเกิดทันไหมฮะนี่เจ้าแม่เอ็นดีเคนะครับขายบัตรคอนเสิร์ตเรตอาโอยไอห้องขายตั๋วแตกนะฮะจริงปะจริงเพราะอะไรเพราะว่าผมเบียดเขาไปนั่นไงว่าแล้วเชียวม่ต้องไปธรรมดาย้อนกลับไปก่อนว่า หลังจากที่ตอนนั้นเพียอนนี่ฮอตมากหลังจากที่เล่นหลงไฟน้องมีอะไรทุกจริงอย่างแล้วก็มาเป็นนักร้องออกเทปกับค่ายคีตาเรคคอร์ดใช่อันนี้ต้องเท้าความไ ป, ปความความเป็นนักแสดง คนก็ต้องการจะเห็นและนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของการโชว์ตัวคเวลาโชว์ตัวก็หนีไม่พ้นการร้องเพลงเราก็คนที่ชอบร้องเพลงเป็นอะไก็ร้องเพลงสนุกสนุกอนุญาตขออนุญาตเอาพงพี่พึ่งมาลองเป็นสนุกสนานมากมากอุ้ยแฮปปี้เวลามีงานช่องก็ร้องเพลงร้องอะไรนะคะก็ไปเข้าตาคีตาเรกคอร์ตพี่จิ๊กพี่จิ๊กคุณสมพงษ์โจพี่แต๋งนี่ไงร้องเพลง ด้วยเออก็เลยถามคุณแดงมาว่าเขาร้องเพลงได้หรืออะไรงไงคุณแดงบอกก็มีงานนักแสดงปกติก็ต้องไปโชว์ตัวก็จะไปร้องเพลงอยู่แล้วอทีนี้คนที่มองลุคที่นี้มาตีมาเป็นความเป็นเสือเนี่ยก็คือพี่จิกก็จะมีมองเห็นภาพที่ตัวเองเราเป็นคนดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีความเซ็กซี่ที่ลูกกตากแล้วก็บอกว่า เล่นละครเล่นหนังเซ็กซี่มีอะไรอยี้ด้วยแล้วก็ร้องเพลงหลือสนุกสนานก็สร้างความเป็นเสือให้กับตัวเราด้วยชื่ออัลบั้มดวงตาข้างขวาของฉันคล้ายมีเนื้อเยื่อพิเศษนี่เป็นชื่ออัลบั้มนี้ยาวที่สุดในโลกเลยแต่แต่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับค่ะมันมีพอเทปอ่ะมันผ่านห้าแสนตับแล้วเขาเปลี่ยนปก เขาเปลี่ยนชื่อเทปเป็ว่าไม่อยากจะบอกว่าดวงตาข้างซ้ายของฉันก็มีเนื้อเยื่อพิเศษซึ่งยาวกว่าปกแล้วโอ้โหโอ้โหเห็นไหมคะ อ, อันนี้คือคนที่รู้ข้อมูลเทนนี้มากกว่าตัวเองจำไม่ได้จำไ ด, จำได้ผมจำได้เพราะว่ า, วาเทปอัลบั้มแรกของพี่นีเนี่ยชุดเทนนี่ชุดเีนเสือเนี่ยนะครับวางตลาดวันที่ห้ากันยายน พอสอบสม้ห้ารอันนั้นมันเกิดพี่บีนะฮะกันใหญ่แล้วก็ที่พี่บีรับเล่นรับบทใหม่ก็เข้าไปเลยซึ่งตอนนั้นผมมีทวิตพิจิตแล้วก็พอเทปเนี่ยเขายิ่งโปรโมทก่อนตอนแรกเห็นเป็นสดืดเป็นช่วงโอ้ยแล้วก็มีลมพิ้วพิ้วพิ้วพิ้ตอนเอ๊ะใครอะใช่ใช่เอ๊ะใคร จำจำจำเอลได้จำเอลนะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเป็นคนในส่องเสื้อเอาไม้เขียนเนี่ยโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์เสื้อเอร่อยไปสองใต้เสื้อหวังว่าจะเห็นเออคนสมัยนั้นนะเก็แบบพยายามกันยอมยอมก็จําได้ว่าเพื่อนๆนในในห้องอ่ะในที่เรียนทวิจิตด้วยกันตอนเรียนมันือเทปอันนี้อันนี้ออกเทปอันนี้ออกเทปแล้วก็รีวิ่งไป ตอนนั้นเรียนโรงเรียนไทยวิจิตมันอยู่ตรงป่าขนเราก็ไปยไอสามแยกเกษตรจะมีร้านเทปอ่ะแล้วเขามีโปสเตอร์พี่อยู่แล้วขอซื้อสารตลับแล้วขอโปสเตอร์ด้วยแทนด้วประเด็นคือไม่ได้อยากได้เทปใช่ไหมอยากได้โปสเตอร์อยากได้เทปด้วยอยากได้เทปด้วยแต่ว่าให้มให้ให้ให้พอเราซื้อสารตลับแน่แล้วเมื่อก่อนมันมีเทปเป็นเทป A เทปแม่เหล็กอะครับเทปแม่เหล็กคือมันจะราคาแพงกว่ามูลละร้อยห้าสิบเขาจะมีแพ็คเป็นใช่แล้วใส่พลาสติกเอาไว้ เทปเอเมทัลเทปแม่เหล็กอะไรเงี้ยครับเราก็ซื้อหมดเออฮะแล้วก็จำได้ว่าวันวันที่วางตลาดวันแรกจริงๆวันที่5้าเนี่ย ผมไปที่ร้านยิ่ปุ่วตรงตรงสะพานควายแล้วไปนั่งรอแอบโดดเรียนมาตอนเทปอาเธอเป็นคนอย่างนั้นละฮางก็รอครับทีฉันรู้สึกผิดมากเลยที่ทําให้คุณโดดเรียนตื่นเต้นครับเพราะว่าเราอะรอมาตอนแรกเขาเปิดตัวมันแบบอุ้ยชอบรมากเลยเพียงเสือแล้วก็มีพัดลมเป่าๆๆขึ้นไปยืนบนอะไรนะฮะไอ้แพดฟอร์มสูงๆแล้วก็แบบเออคนถ่ายเอมวดิฉันน่ตกแพตฟอร์มมาเลยจริงอะเป็นไรเปล่าไม่เป็นอะไรเดีย ตกใจผู้ใหญ่ล่วงไปเลยจ้าคือสมัยนั้นนักร้องเนี่ยเขาจะเอาดารามาร้องเพลงกันส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่คือคือจริงๆเราต้องบอกว่าการโชว์ตัวของนักร้องไอ้การโชว์ตัวของนักแสดงนะฮะของดาราเนี่ยก็จะร้องเพลงเพราะว่าเวลาไปไหนทุกคนก็อยากจะให้ร้องเพลงเพราะว่ามันเป็นการอินเตอร์เทนคนดูได้อย่างสนุกมากทุกคนจะชอบแบบนี้มันเลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ว่าเออถ้าร้องเพลง ไหนก็ชอบร้องเพลงทางกีตาร์ก็เลยให้เพลงเป็นของตัวเองเลยดีกว่าไหมเพื่อที่จะได้ไปร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นบอกว่าสึกเพลงนี้แต่งกันรวดเร็วมากเข้าห้องอัดเร็วมากเดียวแปบเดียวรวดเร็วมากเป็นการทํางานที่อย่างรวดเร็วมากแป๊บเดียวตกใจมากเอาวันนี้เอเพลงนี้มาวันนี้เพลงนี้ม า, นน เ, มาเข้าห้องอัดเรียงกันสิบวันรวดเลยทีเดียวโอแต่ตอนนั้นแบ่งมาไล่ไงกันพี่นี่เพราะว่างานงานแสดงก็แน่นงานโชว์ตัวก็เยอะ ก็น่าจะเป็นช่วงที่เท่าที่จําได้นะคะน่าจะเป็นช่วงของอช่วงที่ยังไม่ได้ถ่ายละครก็เลยขอไปอเพราะว่าขั้นตอนการทํางานทุกอย่างเนี่ยคือคุณแดงจะเป็นคนทราบว่าทําอะไรตรงไหนที่ไหนอะไรยังไงบ้างอะคะก็เลยคือผู้ใหญ่รับทราบเราก็เลยสบายใจไม่ได้ไปหนีไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงก็ให้เวลาได้อย่างเต็มที่แต่ต้องถามว่าตอนนั้นอนะพี่นี่เนี่ยมีค่ายเพลงติดต่อเยอะมาก ใช่ไหมครับก็มีทางวอร์เนอเท่าที่ผมได้ยินนะฮะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ติดต่อฮานี่เองนะส่วนใหญ่จะติดต่อไปทางอย่างคุณแดงอย่างทางทางช่องเจ็ดทำไมถึงเลือกคีตาอันนั้นต้องต้องถามทางทางผู้ใหญ่ช่องเจ็ดทางผู้ใหญ่ผู้คือเราไม่ได้เลือกเองเป็นคนที่บอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าจะงานไหนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่เป็นคนบอกให้เล่นเป็นคนให้ทําไม่เคยที่จะเลือกเองเลยบอกเลยไม่เคยเลือกเองเลยคือแบบเขามอบหมายมาให้ทํางานมอบหมายมาให้เล่นละครมอบหมายมาให้เล่นหนัง มอบหม่มาให้ร้องเพลงแบบนี้แบบนี้เป็แบบนี้แบบนี้แล้วก็เราก็เหมือนประมาณว่าทุกคนเขาก็ให้เกียรติใช่ไหมะคะแล้วเขาก็เหมือนจะสร้างเราให้เป็นอะไรที่เรียกว่าดีมากอะ่ะก็เลยแบบทําตามทําตามต้อเรียกว่าทําตามที่ทําตามออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอิญแบบเป็นความสนุกอะ่ะเพราะพอฟังหุ้ยชอบอะ่ะเสือสนุก เพลงสนุกว่าแล้วแล้วมันก็จริงๆคือไม่ว่าจะไปที่ไหนลูกเด็กเล็กแดงก็เอาเพลงเสือไปเต้นใส่ชุดสอเต้นตัวเล็กตัวน้อยแต่งตัวกันง่ายตอนนั้นเสือเกลือ่อนเมืองครับกางเกงรัดรูปเดี่ยวโว้สูตร์พสูจนนี่เราแบบ อันนี้มาเจอแบบเพื่อนที่เป็นสาวสองวเขาว่าตอนเด็กๆนี่ผมไม่มีผมเรียนต้องเอาพาเชตัวมาทําเป็นผมแล้วพัดลมเป่าไส่เกงลาเสือดีจังดีจังทั่วเมืองนะทั่วเมืองใช่ไหมซเ้อของเมืองแล้วก็เทปอะเพาะวางตลาดวันแรกเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆนะเพราะว่าโอ้ยขายกระจายเลยอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเทปถ้าขายดีๆเนี่ยผ่านส0 0 0สนตลับห 0,000 นตลับจะมีการเปลี่ยนปก เพียงนี่เปลี่ยนมาปกเป็น2ปกแล้วสองปกแล้วก็มีเพลงเสือพิเศษอะไรก็ใส่กันเข้า ไ, ขไปแต่ที่สำคัญคือคอนเสิร์ตเร R อาถ้าใครใครจำได้เมื่อก่อนมันจะมี m อ็บีเคมาบรรทงที่เป็นเวทีสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่ใช่และเพียงนี่คือ นักร้องหญิงคนแรกที่มีการขายตั๋วเพื่อขึ้นเวทีที่ m b k Hall ผมจำได้เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยนักร้องชายส่วนใหญ่เนี่ยจะคลองครองเมืองนะแล้วก็แฟนเพลงจะเป็นผู้หญิงเขาก็ถึงจะขายบัตรที่เสียเงินซื้อได้แต่พี่เทนี่เนี่ยอาจหารมากคือเพลงเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานประมาณเดือนนึงใช่ไหมฮะแล้วถึงได้ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมีการขายตั๋วครับนี่ฮะ จำได้ว่าวันวันวันเดิมเี็นเผู้ชายใช่ใช่ตอนนั้นเหมือนจะคอนเสิร์ผู้ชายใช่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่แล้วผมเขาถูกเฮ้ยเปียโนและคียตากล้ามากที่ขายตั๋วคอนเสิร์ตคุณค้างก็ดูชื่อสินค้าคอนเสิร์ต่ะคะเรดอาร์และอันนี้ขอขายให้ผู้ชายซื้อนี่ยแต่ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผมเห็นคือแถวหน้าผมไปดูด้วยนะะแถวหน้านี่ทอมประมาณสามแถวอ๋อไม่ได้สังเกต สาวหล่อบาเวทีจะไม่เห็นอะไรเลยนะบอกว่อ น, นะพวกข้างล่างแบบคือมันจะไฟมันอย่างเงี้ยไฟเข้ามาหาเราแล้วข้างล่างจะเห็นแค่แบบหัวคนหัวหัวหั ว, หวเรียงๆียเียงกัน เ, เ, เโอ้โหรัอุด ม, มา <โล S 1> ด้วยสาวหล่อครับสามแถวแรกนี่คือ <โล S 1> พอพี่นี่ขึ้นมาจากกรงนี่มันเม่ก่อนมันจะเป็นไฮดรอลิกขึ้นมาขึ้นมาจากเ t ทีโผล่ขึ้นมาก็โอ้โหเต้นแวกกรงขึ้นมา มีไฮดรอลิกขึ้นมามีกลงมีพัดลมเป็นต้อลมไปแล้วใช่ไหมครับพอลุกขึ้นมาปุ๊บนี่โอ้โหเสาหลอยืนหื้เลีายงกระโดดลงไปอยู่กลางนี่ไงไม่ขันละไม่ขันละเวลานี้มันเป็นคอนเิตที่แปลกใหม่มากสำหรับเมืองไทยตอนนั้นย้อนไปเมื่อปีสามสามเกือบสามสิบปีแล้วนะครับคิดดูว่านี่สิบเก้าปีแล้วอะแหว ยียย่สิบเก้าปีแล้วคืออะไรแต่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่โอเคครับโอเคครับคแรับแล้วก็เอ็มมีเคเอเนี่ยมันจุคนได้ประมาณห้าพันเนาะตอนนั้นแล้วคนน้แน่นแบบยืนล้นทะลักเยอะมา ก, มากจ <ำ S 1> ํ<จ>า <ำ S 1> ได้จําได้ว่าเยอะมากเยอะมา ก, มากแล้วคนก็อุ๊ยจบแล้วหรอคอนเสิร์ตอยากอยากฟังอีกอยากฟังอีก อ, อ่าฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเสืเป็นหญิงหน้าใหม่ที่ ได้เข้าชิงรางวัลสีสันอวอร์ดด้วยผมจำได้ <ein> เป็นศิลปินหญิงหน้าใหม่ <ein> ศิลปินหน้าใหม่ติดติดเข้าไป1ใน5ฮะในในปีนั้นต้องถือว่า ข้อมูลแน่นกว่าดิฉันอีกนะเดียวค่ะดิฉันบอกเลค่ะดิฉันคจะเป็นคนถามคุณตุ้ยมากกว่านะคะเกี่ยวกับข้อมูลชินเองนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะรู้อะไรถ้าใครจะสัมภาษณ์พี่ฮนี่นี่มาถามข้อมูลด้วยผมเลยมากกว่าแล้ยังตอคุณตุ้ยแอบถามนิดนึงแล้วก็ตอนนั้นก็ออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศด้วยสมัยก่อนนะฮะใช่ที่มาลิลาบราซิลียนแห่ชึ้นรถแห่กันรอบเมืองออกสนุกมากค่ะผมเคยนี่แล้วผมตามไปดูนะที่พัทยา มีมีเล่นที่หาดใหญ่ด้วยนะครับเพียงนี่อ่ไปเยอะไปเยอะแต่ใต้ใต้ก็หลายจังหวัดอยู่นะคะไปหมดเลยทั้งเหนือทีงอีสานใต้ไปหมดแล้วนี่คืออะไรนี่คือตามไปทุกที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตโลดงตีไปดูในวันซ้อมเดี๋ยวนะ7ดสีคอนเสิร์ตก็โล่งตีด้วยใช่ไหมใช่ที่ต้นไม้อลลุกเป็นคนคุณตุยปีมาหรือเป็นคนเยอะเลยหาห้อยอยู่คุณตุยนี่เนี่ครัออกมาชุดแรกเนี่ยก็คือทัวทั่วประเทศกันแบบเป็นปีเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ แล้วก็ยอดขายเกือบล้านตลับผมจำได้ว่าจำไม่ได้เรื่องยอดขายเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ จำได้ว่ามันผ่านคืาเราเราจะรับรู้เรื่องเรื่องงานของแต่ละวันว่าไปหูเยอะอะคอนเสิร์ตเยอะมากแต่ทั้งค่ก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นับตาหลับไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมก็จะแต่ว่ามันนานมากแล้วค่ะคือจําไม่ได้หรือว่านับไม่ทันม่ไมันเยอะมากนับไม่ทันคนคนรู้ก็เหรือไม่รู้จําไม่ได้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าเก้าแสนก็ฝากเกือบร้านกืบล้านนะเพราะว่าก็คงจะอย่างนั้นเนี่ยพอผ่านห้าแสนแล้วเขาก็เปลี่ยนปกแล้วมันก็มันก็มีมี ยอดเข้ามาเรื่อยๆเกิดแตะล้านแล้วครับเท่าที่ทราบคือเยอะแต่ว่าให้นิจําตัวเลขไม่ได้เท่าไหร่คอนเสิร์ตเรตอะผมจำตกใจตัวเองมากเลยไม่นึกว่าแบบก้าวขึ้นมาร้องเพลงแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปได้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรแล้วประสมความสิร็ตหมดนะฮะคือลงให้ใจในการทํางานบอกนางเลยให้ใจในการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ให้นิจให้เกียรติอาชีพนั้นทํางานทุกอย่างให้เกียรติให้ใจทําเต็มที่เต็มที่ในจุดที่เราทําได้ ครับร้องเพลงก็เต็มที่เลยเต็มที่เลยพูดถึงแล้วก็พี่ท่านี้ค่อนข้างได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นดาราที่ร้องเพลงได้ดีเอ่อท่านี้ว่าท่านี้ว่ามันเป็นองค์ประกอบของการสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยอย่างเช่นพี่จิกมองว่าท่านี้ต้องเป็นอย่างนี้อืมันก็เลยตรงนี้เวิร์กนึกออกไหมฮะบางคนเนี่ยร้องเพลงแล้วเพลงนั้นไม่ใช่เขาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไม่เวิร์กไปท่านี้ว่าน่าจะเป็น การการสร้างความเป็นตัวตนของเรามากกว่าของต้นสังกัดพูดถึงครับและนอกจากเพลงในอัลบั้มชุดแรกชุดนี้ชุดดวงตาข้างขวาเนี่ยนะครับก็ยังร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยเพลงเมื่อสักย้อนกลับไปเมื่อเทปที่สองกับที่แล้วใช่ไหมฮะที่เราเปิดเพลงไปผู้ชายไม่้ประดับแล้วก็เติมรักให้เต็มโอ้เคยได้ร้องเพลงละครใช่ ก็ได้ไหมเรามาบอกตอนนี้นี่เทันไหมเนี่ยเราจะกลับไปย้อนไม่มีเวลาเดี๋ยวนะเทปน้นเราคุยจริงๆรเราคุยเรื่องอื่นกันจนแบบว่าเราขอแทรกรายการอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีเรื่องราวมากมายที่ต้องการคุยกันใช่สามวันไม่จบอะก็เรียกเรียกได้ว่านอกจากร้องเพลงที่เป็นละมันตัวเองแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครด้วยแสดงว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีในระดับหนึ่งแหละก็ใช่ไหมขอบคุณค่ะครับทีมี มีไลฟ์สดมาถามอะไรนะคะสนุกสุดมันแน่นอนแน่นอนฮะอย่าอย่าลืมมานะคะครับคอนเสิร์ตพิเอร์นี่และชาวคีตาที่จะเล่นในวันที่30 30พิศจิกาค่ะใบเตยกบังนาใบเตกบังนาหอหนึงศูนย์หกสามสิบสิงหาไปซื้อบัตรใน711ได้นะคะนับเวลานี้ยังมีอยู่ไหมพูดถึงนะจะมีอยูลองไปลุ้นดูถ้าเกิดว่าไม่มีไปขโมยของเพื่อนไหมคะอะมีค่ะ มีมากอีกแล้วคุยนั่ะยพูดเล่นนะครับพูดเล่นเป็นผู้นําในเรื่องแปลกตลอดเวลาพูดเล่นพูดเล่นนะครับอถ้าถ้าเกิดใครใครบัตรไม่มีเราลุ้นได่มีรอบสองอันนี้ดีกว่าหรือถ้าใครต้องการให้เพียนี่ไปร้องโชว์เดี่ยวๆตามตามห้องอาหารเดี๋ยวนี้เขากลับมากันเยอะนะจริงเหรอใช่แปดศนย์้าศูนย์ลุ้มมียังขายได้อยู่ลุ้มโอ้ยผมเห็นงานเตึมเยอะแยะเลยติดต่อได้นะครับผ่านผมก็ได้ผมบอกขายบัตรตั้งแต่วันที่สามสิบสิงหาแล้วนะคะ ใช่ลองดูนะครับว่ามาถึงทางไหันมามาถึงวันนี้ไม่รู้ยังเหลือหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วแต่ว่าลองลองดูนะครับลองไปดูครับแต่ว่าเพลงก็ยังมีให้ฟังอีกนะถ้าเกิดใครคิดถึงใช่ตุ้ยบอกมีเพลงมาฝากใช่ไหมใช่ใช่ฮะเพลงเอ่อก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลงในชุดที่2เพีนี้ซึ่งชุดที่สในทางกิดไพ่ชุดไม่กัดรอก เป็นแนวละตินวิน่ารักมากเพลงนี้อยากพะใ้ฟังากจะให้ฟังอยากจะให้ฟังเลยเลยคนไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้เพราะว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนร้องสักพักนึงแล้วก็เพลงโดนดึงหายไปไม่ได้มีการเปิดให้คนอื่นฟังกันมากมายแล้วก็รู้สึกว่าในเครือของของเอ็มสแควร์ตอนนั้นรายการนี้ฮะก็เหมือนรายการเราเนี่ยแหละค่ะ on air หลังเที่ยงดึกไปใช่ดึกมาก็อาจจะได้กลุ่มคนขับรถที่แท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ทายเกต ก็เต็งเอ็มีก็น่ารักเพราะว่าถ่ายทากันเองใช่ไหมฮะใช่ใถ่ายทะเลน่ารักน่ารักชุดขาวบางๆพลีเป็นแนวละตินแนวทะเลทะเลนะสนุกมากแล้วเพลงดีมากหลายๆเพลงแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกให้ฟังเพลงเอไม่กัดหรอกโทษทีวันนี้วันนี้ขอขออนุญาตเป็นเสือริมิดก่อนได้ไหมครับอเพราะว่าอยากให้อยากให้ฟังเวอร์ชั่นเนี้ยไม่ค่อยมีใครได้ได้ฟังอ่ ครับลองฟังนะครับว่าเสือรีมิกซ์เนี่ยเขามีความสนุกสนานมากกว่ า, เ, าเสือธรรมได้ยังไงยังไงให้เพียงที่ฝากอะไรกับคนฟังนิดนึงครับสำหรับ เ, เทปนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนใจในเรื่องงานเพลงของอันนี้นะคะแล้วก็ใครที่มีบัตรนะคะอย่าลืมไปชมคอนเสิร์ตกีตากันนะคะแล้วก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมฟังเสือรีมิกซ์กันคะ่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ เต็นยับแน่นอนครับคืนนี้ครับสำหรับวันนี้พวกเราสคนลากันไปก่อนนะครับครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> รับฟังรายการเรื่องเก่าที่เรารักได้ในครั้งต่อไปสร้างสรรค์และผลิต ร, รายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line Official R M U T T Radio